ฟังตามกันอี่ประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมงก็พอดีพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปถ้าเป็นการปฏิบัติไปด้วยก็สนุกปฏิบัติแล้วได้ยินภาษา มันสอดคล้องกับสิ่งที่ทำากต็ตื่นตื่นตัวฟังแล้วตื่นตัวจิตใจก็ตื่นรู้ไปด้วยไปด้วยกันสติเห็นกายมันตื่นกายเห็นใจมันก็ตื่นใจมันตื่นมันตื่นถึงเบิกบานมํนตื่นรู้เบิกบาน ไม่ใช่ตื่นแนกตกใจตื่นกลัวตื่นมินกิเลส ค, คึกคักแลท้ายสุดมันก็เหน็ดเหนื่อยเราก็จึงนี่นแหลนะไใจสิ่ง้านมีอยู่เป็นส่วนประกอบมีเสียงมีรูปมีรสมีโผฏภามีธรรมลม เป็นการประกอบการเรียนของเรานะที่เรามาเรียนรู้มาศึกษามาฝึกมาหัดปฏิบัติทำแล้วก็ทําให้เป็นถ้าทาเป็นมันก็เดินทางมีการพัฒนามีการภาวนาภายนอกภายในถ้าทาไม่เป็นมันก็ดื้อด้านไปทั้งดูทั้งด้าน มันก็จะไหลไปสูความเสื่อมตรงนี้จึงต้องมีความเพียรความเพียรตุมเหหิจังอตปังอกาตาโลตตากตาปฏิพันนาระโคคันติชายโนมาระพันธนาตททั้งหลายจงทำความเพียรแล้วก็ทำในตัวของตัวเองตรงนี้มันช่วยกันไม่ได้จริงๆรักกันขนาดไหนก็ช่วยไม่ได้ แม่รักลูกพ่อรักลูกครูบาอาจารย์รักลูกศิษย์ลูกรักพ่อรักแม่ลูกศิษย์รักครูบาอาจารย์ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปมาคนเดียวไปคนเดียวัากว่ารู้สึกตัวของใครของเราต้องสร้างสรรค์เป็นฝีไม้ลายมือของใครของเรากันใครทําใครก็ได้ ใครไม่ทำใครก็ไม่ได้แต่พอจะเป็นสิ่งแวดล้อมเป็นแบบเป็นนิมิตให้ซึ่งกันและกันได้เรยียกว่าการยานามิตรผู้ใดฟังทําให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสร้อนให้สัมผัสบางทีก็ไม่ทําให้ดูไม่อยู่ให้เห็นเหมือนกันเพราะว่าอยู่ไปมันก็ไปที่อื่นดีกว่า กว่าดีกว่าในี่ีนี้ก็คือเป็นประโยชน์ต่อคนหมู่มากมันเหมือนกับดอกไม้ดอกหนึ่งถ้าอยู่ตรงต้นคนไปผ่านไปผ่านมาเห็นเกิดประโยชน์ก็อยู่ตรงนั้นอ่ะดีแล้วแต่ถ้าไปประดับแจกันลงทุนสักหน่อยยอมพัดพลากเด็ดออกแล้วก็ไปอยู่อีกจุดหนึ่งที่ คนหมู่มากมีพิธีกรรมมีคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนมันก็ควรจะไปอยู่ตรงนั้นนะเป็นประโยชน์ไปเพื่อคนหมู่มากนี่เราก็จะมารวมตัวกันสร้างสรรค์ให้ชีวิตของเรามันเกิดประโยชน์ตนแลประโยชน์ท่านประโยชน์ต่อญาติประโยชน์ต่อ โ, โ, โ, โ, โ, โลกต่อไปมันก็จะเป็นพลัง แต่ว่าก่อนที่จะมีพลังทํางานทําการจยต้งได้ประโยชน์สูงสุดในแง่ของประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ต่อญาติประโยชน์ต่อโลกอะไรก็ตามต้องประโยชน์ชนชนตนชัดเจนอันนี้ไม่ได้เรียกว่าเห็นแก่ตัวบางทีเราอาจจะถูกตําหนิเวลาปฏิบัตินะนะมากๆนะถูกตําหนิได้อันนี้มันก็ไม่แปลก กับเรื่องธรรมดาบางคนร้อยพ่อพันแม่ต่างความคิดต่างมุมมองเราก็ต่างประสบการณ์ด้วยที่ทํากัญเนี่ยประสบการณ์ได้เหมือนกันคนเราขาจสิงไหนต้องหาสิ่งเติมอะไรว่าบารมีมันไม่เคยมีตบาไม่เคยมีความอดทนก็นต้องฝึกให้มีความอดทนต้องปาราบลบความเพียรต้องแข็งแกร่ง ต้องดําริต้องมีความปรารถนาปรารถนาชอบดํามรีชอบมันก็ไปถูกทางถูกต้องแต่มันก็มีเรียนถูกแล้วมีเรียนผิดเรียนผิดก็มีเรียนถูกก็มีตัวหลงก็มีตัวรู้ก็มีตัวหลงลก็หลงรู้แล้วก็รู้ไม่ถูกตัวรู้ก็มีตัวรู้มันก็รู้แล้วลก็รู้ถูกแต่หลายค น, นก็พยายามที่จะเหมือนกับว่า ศ <c oughs> ึกษาจนกระทั่งพบความแตกต่างจนเลือกเป็นก็มีอยู่หลายคนเอาตัวรอดได้อันนี้เกิดประโยชน์ตนขึ้นไหมแล้วค่อยแผ่งปันช่วยเหลือกันเอื้อเฟื้อจิตใจกว้างขวางมีน้ำใจไหลไปสู่สรรพสัตว์สรรพสิ่งอัฐุนหนึ่งสองสาคหนึ่งสองสามไป้เราก็จึงนะครับ เอาประโยชน์ตนกันอันนี้มันได้เรียกว่าเห็นแก่ตัวถึงจะดูกันขนาดไหนมันก็คือแล้วณนะการดูแล้วก็ดูไม่ถูกนอกจากเรามาดูรู้สึกตัวรู้สึกตัวดูกายดูเวนาดูจิตดูธรรมมันจะเห็นถูกขึ้นมารูปธรรมนามธรรมขันห้าของเราก่อนทุกข์ก่อนเนี่ยจัดการกันไปซะก่อนมีกายทุพกาย ร่างกายก็ลังก็มีตาหูจมูกลิ้นเป็นส่วนประกอบอีกเป็นระบบศาสตร์เนื้อหนังเอ็นกระดูกมีวิญญาณธาตุมีจิตที่คอยมารับรู้มีสติมีรงมีรู้ที่เป็นธาตุคอยเกี่ยวข้องกันทั้งหมดเราก็ได้ใช้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าเรียวเป็นอุปกรณ์ก็ได้ ตอนศึกษาตอนที่เราฝึกหัดมันเป็นอุปกรณ์พอรู้จักดีแล้วก็เป็นเครื่องมือรู้จักใช้ใช้ตาใช้หูใช้จมูกใช้ลิ้นใช้กายใช้สมองใช้ความคิดรู้จักใช้มันแต่ก่อนที่จะใช้เป็นต้งมาทําความรู้จักก่อนตาสี่ขันห้า 5, นะกายใจของเราเป็นยังไงวัตถุรูธรรมนามธรรมมันเป็นยังไง เป็นธรรมที่เป็นกุศลอย่างไรเป็นธรรมที่เป็นอกุศลอย่างไรเป็นธรรมชาติเป็นความจริงเป็นความเสื่อมอย่างไรร่างกายของเรานี้ไหลหสู่ความเสื่อมแท้ๆมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปนะต้องมีโรคาวยาที่ต่างๆอันนี้ปฏิเสธไม่ได้จะรักษาดีขนาดไหนดูแลดีขนาดไหนก็ท้ายสุดก็ตายนน่าโคลง ร่างกายของเราจะใหญ่โตขนาดไหนจะมีอำนาจขนาดไหนมีพลังขนาดไหนใหญ่แค่ไหนกับเล็กประโลมจิตใจของเรามันก็มีโลคาพยาที่ชัดเจนเหลือเกินะโรคเครียดโรค ก, กังวลคิดมากคี้เหงาขี้เบื่อคี้น้อยใจเป็นสิ่งสโครกอยู่กับสิ่งสโครกก็เป็นโรคอย่างนี้นะมัต้องมีศีลมีธรรมต้องมีบุญ มีความดีความงามมันเป็นวัฒนธรรมเป็นลักษณะของวัฒนธรรมที่มันพาสู่ธรรมะที่จเจริญรุ่งเรืองเป็นความผาสุกสุขสวยรวยดีแล้วก็เห็นความจริงในท้ายสุดสิ่งไม่ดีมันก็มีอยู่ตลอดนะเราแก้กันจนถึงไม่จบไม่สิน้นมีปัญญามากขนาดไหนแก้ปัญหาขนาดไหนปัญหามก็ตามมาแล้วก็ละเอียดลงไปจนแก้ไม่ได้ในท้ายสุดนะนะั่นแหละ ล้วก็จึงมาศึกษาเห็นความจริงที่เป็นตัวชีวิตทั้งหมดนะไม่ปฏิเสธเ้วก็ไม่ได้รับรู้รีบสรุปอะไรเพียงแค่อ๋อมันเห็นความจริงทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกไม่ใช่ตัวตนกายของเราเอย่าปวนั่งเดินยืนนอนปรับเปลี่ยนแตพอดีผ่อนกายแพอดีมันก็มีความสุขขึ้นมมีความสบายขึ้นหะ มันมีความสบายขึ้น ม, มันก็อายุยืนแต่มีความไม่สบายขึ้นมาเครียดขึงตึงทําอะไรเอาจริงเอาจังแกลงเก็กเพ่งจ้องจี้พวกนี้มันก็กลายเป็นเรื่องของธาตุขันธ์ที่มันเหมือนมันไม่มีเรื่องราวของความสบายเราก็สังเกตทั้งมันเห็นความสบายในตัวของเรามันมีจุดที่เป็นความสบายนั่งเดินยืนนอนอ่อนโยนพวกนี้ การเกง่งการคลายวันนั้นเวลาปฏิบัติเนี่ยมันจะบอกเราไงใครที่ทำํำเรารู้สึกสบายสบายผ่อนคลายโดยไม่ใช่กล่อมในใจนะแต่เป็นความผ่อนคลายของเรียบทที่เวลาเราเคลื่อนอนะ่ะมันไม่ใช่กระตุกมันไม่ใช่กระทบแบบปลุกแบบนั้นไม่ใชนะ่แต่มันกระทบแบบปลุกเนี่ยแสดงว่ามันกําลังมีอํานาจมีอิทธิพลของกิเลส ของตันหาอุปทานของกรรมวิบากต่างๆมากมายแล้วกันไอ้แบบนี้จะเก๊กเก่งกระตกหลุนแรงและทายเดียวกันไปไม่รอดมันก็เด็กรุวนใหม่นนะมันหลุนแรงมันพูดจาก้าวเล้าแต่ลองให้ทำอะไรจริงๆเดี๋ยวมันกระทิ่งแล้วเราก็เห็นได้ชัดนะทำอะไรไม่จริงไม่จังเลยนะแต่ว่าเราทําได้เรื่อยๆทำไปได้เรื่อยๆเสมอต้นเสมอปลาย อันนี้นเป็นองค์ความเพียนนะทําอะไรครับไม่ลักษณะเอาริงเอาจั ง, งจนกระทั้งเหมือนกับว่านะดูแปลกไปจากความเป็นปกตินะใกลสังเกตนะเวลาเดินจงกลมมันจะมีจุดหนึ่งผ่อนคลายเป็นจังหวะเลยมีการเพียนมีการพักมีการเพียนมีการพักเคลื่อนมือกันเหมือนกันมันเคลื่อนแล้วก็หยุดมันไหวแล้วมันก็นิ่งนะมันเกร็งแล้วมันก็คลายมันก็เห็นอาการเกิดดาบด้วยนะ มันมีอยู่ขนาดนั้นเลยเกิดดับเนี่ยมันเป็นความหมายที่เมื่อมีปัญญาจะถูกเรียกว่าเห็นเป็นประสบการณ์ตรงเลยจากหยาบไปหาละเอียดมันเห็นหยาบหยาบเรื่องกายเกิดดับการเคลื่อนการหยุดอย่างหยาบๆยันต้องเห็นตัวละเอียดแน่นอนความคิดเกิดดับประเดี๋ยวมันก็แวบมาเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็แวบมาเดี๋ยวก็หายไปนะจนกระทั่งเหมือนกับว่าวันทั้งวันเราเห็นอาการเหล่าเนี้ยแล้วก็ตื่น ตื่นตัวเห็นใจก็ตื่นใจสติมันก็ตื่นในตัวก็มันรู้ตื่นเบิกบานสนุกสนานกับการปฏิบัติไปถึงตรงเนี้ยมันทุ่มเทมันไม่ไปไหนหรอกประเภทที่ว่าจะหาเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นมันจะดูอย่างต่อเนื่องทีเดียวมันจะเกิดธรรมวิยยะขึ้น ม, มันจะเกิดวิรยยะขึ้นไหมมันจะเกิดปรีติขึ้นไหมอิ่มอกอิ่มใจมั่นคงขึ้นไหมมันจะเกิด เบากายเบาใจขึ้นมากายรูตาจิตตารูตาขึ้นมาเกิดความสุขในการปฏิบัติธรรมแล้วตังนี้แหละมันจะเป็นสุขจะเป็นสุขที่เกิดจากโลกุตรละไม่ใช่โลกิยะไม่ใช่สุขที่เกิดอามิทหนึ่งสองสาไม่ใช่ยังไงยังไงก็ไม่ใช่มันไม่ใช่จริงๆมันเป็นสุขที่เกิดจากลักษณะของโลกอีกโลกหนึ่งที่เราเปลี่ยนไปมันเป็นสุขเฉภัยในเป็นโลกุตรละจริงๆ แล้วมันไม่จนใจถึงตรงนี้แล้วมันไม่จนใจมันมีความรู้สึกมันมีทางออกทางออกมันมีมันก็ออกมาทางรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวทุกครั้งที่รู้สึกตัวมันก็ได้คําตอบทันทีเป็นอาหารของจิตทันทีอาหารของจิตของใจกันเนี้ยแหละมันเสันเจตนาอาหารเจตนาที่รู้สึกตัวเนี่ยละจนกระทั่งมันไม่ต้องรู้สึกตัวนะมันมีพื้นที่มันมีแดนของวิมุตติหลุดพ้นเกิดขึ้นมาปรากฏขึ้นมา เป็นพื้นที่ไปในใจของใครของเราะแล้วก็จึงต้องกลับมาสร้างสรรพื้นที่ตรงนี้กันเป็นพื้นที่ของความเป็นปกติเป็นที่ว่างที่กว้างที่ขวางที่มันมีพลังเตรียพร้อมที่จะเปลี่ยนจากทุกเป็นไม่ทุกจากการต่างๆที่ผิดปกติเป็นปกติและตรงนี้มารู้ไม่พูดไม่บอกไม่ชี้ไม่นําไม่สอนกันได้ยังไงมันจะบอกอะไรกันมันจะไปสอนอะไรกัน ก็ต้องบอกตรงนี้แหละตุมเหหีคิตจังอัตปาอาขาตาโลตตากตาปฏิปันนาประโมกันติชายิโนมาละพันธนาทน่านทั้งหลายจงทําความเพียรนนตถาคตเจ้าเป็นเพียงผู้บอกผู้บอกนผู้มีปกติเพ่งพินิจจะพ้นจากบ่วงแห่งมารนนถ้ามีปกติมันก็แน่นอนนะความไม่ปกติมันเกิดจากความหลงเรามันจะขัดขวางเป็นมาร จะเท่ากันกั็ว่าเมื่อใครผ่านมันก็เป็นบารมีอนะมอมา้าบอใบไม้สละอนี่เหมือนกันรอเรือนี่เหมือนกันมีก็เหมือนกั น, ม, นมันมีมีมนันมาปจนอย่างเงี้ยกับบารมีมันก็ผ่านตลอดนะแล้วจะเลือกเอาอย่างไหนกันแต่คอจะมีบารมีมันก็หืดขึ้นคอน่ะละงนะ่วงแล้วง่วงอีกเจ็บแล้วเจ็บอีกเค็ดแล้วเค็ดอีก บางทีเห็นทางกรรมฐานนี่แยงขนหัวลุกเลยนักปฏิบัติบันทีเนี่ยเรารู้แหละบอกให้มาหอไตรหลังจากรัประทานอาหารชาเช้าเสร็จนี่พวกเดินโอเอโอเอออมบางคนก็เดินไปตามกุฎพร ะ, ะเห็นกุฎพระลกอย่เงี้ยนะเห็นกุฎพระบางทีก็อี้หลายตัวก็ถามไอ้ทาอะไรกันนก็อี้หลายตัวบางทีก็าถามเออ พระทําไมก็คว่ำบาตรเหมือนกับชามกะละมังถนะ้วยในครัวเลยเหรอนะจริงๆมันไม่ใช่หรอกนะบาตรนี่ล้างเสร็จปับ๊บนะต้องเก็บเช็ดให้เรียบร้อยแล้วก็คว่ำไว้แล้วเอาไวท้ที่ที่เรากลาบไหวเลยเนะพราะเราอยู่ได้ด้วยบาตรนะมันไม่ใช่มีเครื่องไม้เครื่องมืออุปรกรณ์อะไรไม่ได้หางเงินหาทองแต่บาตรใบนี้ทําให้เรามีอาหารเนะพระาะนั้นต้องขอรบากวนในสภายินะ มืนกับสบาย <c oughs> เป้สบายย่ามนะไม่ได้ระมัดระวังบางทีฟ้าบาดทนะก็ไม่ระมัดระวังตักอาหารหล่นกรงเลงกลงคนนะี้นะมันได้ยินเสียงไปถึงนรกเลยนะนรกประตูนรกเปิดเลยรับทันทีเสียงคเนะี้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังทีเดียวนะบางทีโยมก็สุขสนนเะข้าไปเขตของพระแล้วก็จับถูกจับผิดพระอยู่สุขปกจังเลยเี้ย ทมไมของไม่ระมัด ร, ระวังเพ่งผ่านลกไปบดอะไรกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังเน็ตเหมือนกันพระคุณเจ้าทั้งหลายทั้งปวงตายยังกระสับกระดนะวัดเนี่เออบางทีญาติโยมก็นเนี่ละนาไม่ปฏิบัติแล้วก็ซอกแซกพอสมควรดีเดียแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เพียงแค่ว่ากําลังชี้บอกมันแยงเวลาปฏิบัติแต่ชมนกชมไม้เดินเล่นโอ้มันตื่นตัวดียังเลยนะ ต้นนั้นต้นนี้ต้น น, น้นกระดังงาที่นี่ก็มีไม่น้อยกว่ายี่สเอ็ดสายพันธุ์พวกต้นพีพวนพวกอ่ะไรนมบัว น, นมควายต้นหมากกล้วยต้นกระดังงาต้นกะละเวกโอ้เยอะแยะยี่สิบ็ดสายพันธุ์เดินดูเพลินไปเลยต้นไม้แต่ละชนิดน่ะในวัดเนี่ยมีเยอะมากะถือว่าในทางพืชศาสตร์นมีเยอะจริงๆแหละสายหลาย หลายสายพันธุ์แล้วก็หลายวงตระกูลมากมายแล้วก็มันเพลินนะยิ่งเอามาปลูกนะยากอยากปลูกอะไรอยากรับประทานอะไรมาปลูกกันเยอะแยะไปหมดเลยนะพัดดันโยมเข้ามาในจะตื่นตาตื่นหูดูออกไปนอกตัวอย่างงี้ยมันก็ไม่เหมือนกับดูในตัวนะดูนอกตัวก็ดูในตัวนะดูนอกตัวมันก็หลงการมาฐานที่เป็นการดูกายดูใจมันหลงแน่นอนะ หลงไปทางตาหลงไปทางหูบางทีมีเรื่องราวต่างๆมากมายนะเพราะว่าป่าสุกโตมันอยู่กับนมนานนะบางทีก็มีเรื่องมีราวสนุกสนานแบบนิยายน้ำเน่าเล่ากันไม่รู้จักจบนะผ่านไปแล้วนานนมกย็ยั้งงัดเอามาพูดกันไม่รู้จักจบสนุกสนานคุกเคขวกันแต่ว่ามาปฏิบัติธรรมนี่ไม่ไหวปฏิบัติไม่ได้ยกมือไม่ขึ้นง่วงนอน นะแต่ก็จะไปทําอย่างอื่นนะอย่างที่เคยทําแบบโลกโลกแล้วสนุกเพราะตรง น, นี้เราก็เลยป้องกันมีองค์ความเพียรก็คือสํารวมอินทรีย์สังวรเอาไว้ให้ดีๆนะวัดเป็นสถานที่บําเพ็ญกุศลเพราะฉะนั้นเราก็สํารวมกายวาจาใจกันให้ดีๆนะกุศลก็แปลว่าความฉล า, าดนะความฉล า, าดเราฉล า, าดออกจากทุก เมื่อเราสัมรวมดีแล้วก็ประมาณในการบริโภคะเพราะว่าการบริโภคมันก็ทําให้เราเหมือนกับว่าติดรสชาติทางตาหูจมูกลิ้นกายใจบริโภคยกนิมเป็นวัตถุนิยมเป็นบริโภคนิยมเป็นทุนนิยมเป็นอำนาจนิยมมันจเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นวัตถุมันเยอะแยะไปหมดบางทีเราขาดวัตถุภายนอกนะ ตอนที่อยู่แบบโลกโลกเนี่ยกวจะได้วัตถุมันแต่ละชิ้นมันมีมูลค่าต้องหาเงินหาทองหาทรพย์แล้วกว่าจะได้เงินได้ทองได้ทรัแซบก็ต้องทํางานเหน็ดเหนื่อยพอจะทํางานเหน็ดเหนื่อยก็ต้องเรียนรู้แข่งขันกันมานเงินเกิดแต่ละบาท5 40, 100, บาท10บาทร0อยบาทหรือว่าพันบาทหมื่นบาทมันมีค่ามากกว่าจะได้วัตถุแต่ละชิ้นมาเป็นหมื่นๆเนี่ยมันก็ยากพอสมควรแต่พมาวัดนี้อยู่ๆโอ้โหถวายมา บางอย่างนี่เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นทีเดียวอย่างเงี้นะมันก็ง่ายที่จะเผลออย่างงี้อันนี้ก็ต้องเรียกว่าประมาณในการบริโภคกันถ้าไม่แน่จริงเนี่ยระวังดีๆนะแตะถ้ามันได้มาโดยไม่นขนไกวมันได้มาโดยเป็นราบสการะแล้วได้มาโดยที่เราก็จะพิจารณาว่าควรไม่ควรอย่างไรนะระหว่างที่พิจารณาเดี๋ยวมันจะมีคนที่เขาเรียกว่าโลภมากหรือว่าคนเา้า นะอยากได้ขึ้นมาปรารถนานะหิวกระหายอะไรต่างๆแล้วก็เออเอาไปนะก็เรียกว่าอยู่ในปัญญาซะกานะนจะอยากได้ไม่อยากได้ก็เป็นตัญหาทั้งคู่เราก็ต้องดูจิตดูใจของเราให้ดีนิ่งๆจุ ด, จ ด, จดๆเย็นๆรู้สึกตัวดีๆนะอย่าให้ความคิดนะหรืออำนาจความอยากมาครอบงำอยาำ่างทานักงานตายักนะโอ้ที่สร้างมาเนะี่ยไม่ใช่อะไรหรอกนะเนะมื่อก่อนมันอยู่ที่สราญนาแล้วก็อยู่ชั้นบน มันเป็นคลังของวัสดุชั้นบนเราก็ฉันกันข้างล่างคาูบาจานหลวงพ่อคำเขียนเสร็จแล้วมีการเดินตึงตังเบิกของกันหลังรับประทานอาหารก็เลยลักษณะเห็นว่ามันเป็นความเสื่อมอย่างหนึ่งญาญยมผู้หลักผู้ใหญ่ก็มานะเด็กๆขึ้นไปเบิกของกันตึงตังตึงตังตึงตังพูดคุยกันหัวเราะหยอกเรอะกันดังะ ก็เลยดำริเองย้ายมาเป็นชื่อของสํานักงานไตลักษ์ก็ตั้งชื่อให้ตรงนั้นเป็นแหล่งรวมของการเกิดดับทั้งหลายแล้วก็ทุกภพทุกภูมิก็จะอยู่ตรงนั้นทั้งเปรตทั้งสัตว์ทั้งลกอสูรกายเทวดาพรหมแล้วกัพระก็อยู่กันตรงนั้นเลยตั้งชื่อไว้โกโกซาลาไตลักษ์นะซาลาไตลักษ์แต่ตรงนี้ก็คือซาลาเนะนี่ยลาของหอไตรก็เป็นชื่อของหอไตรที่มีอยู่ แต่ไตรลักษณะ3อย่างเกิดขึ้นตรงนั้นภพภูมิต่างๆเกิดขึ้นตรงนั้นนะก็ จ, ะจึงต้องสำรวมระวังประมาณในการบริโภคแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คืออยู่ตรงไหนก็ตามก็ต้องมีชาคริยานุโยครือองค์แห่งความเพียรนะเจริญสติอยู่เป็นนิดนะทั้งในรูปแบบนอกรูปแบบนะทั้งการคิดการพูดการทำสติก่อนคิดสติก่อนพูดสติก่อนทำขณะคิดขณะพูดขณะทำ หลังคิดหลังพูดหลังธทำอย่างนีน้ก็จะได้เห็นลักษณะของการทำจริงการรู้ของจริงนะเมื่อเราทําถึงมันก็ถึงธรรมนะธรรมะมันเป็นสัจจะไม่อยากรู้ก็ต้องรู้ไม่อยากเห็นก็ต้องเห็นไม่อยากเป็นก็ต้องเป็นมื่มันมเดินถูกทางแล้วก็เกิดความต่อเนื่องจนสะสมพลังของสติของปัญญาสมาธิพวนี้มันก็จะแสดงออกเป็นสติขันสมาธิขันปัญญาขันขึ้นมาก็คือจะมีจุดมีที่อยู่มีที่รองรับ ในตัวชีพของเราตรงนี้แหละก็จะเป็นนะเครื่องมือนะที่เราจะหยิบมาใช้เป็นเครื่องมือในการดําเดินชีวิตต่อไปนะใช้ชีวิตลมหายใจแต่ละนาบจะเกิดกําไรขึ้นะเกิดการผิดพลาดกันน้อยที่สุดนะแต่ส่วนใหญ่มันจะเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนร้ายแกเป็นดีเข้าผิดแล้วไม่ผิดเข้าทุกข์แล้วไม่ทุกข์เข้าวุ่นวายแล้วไม่วุ่นวายถ้ามีปัญหาเรามีปัญหาเขาไม่รักเราเรารักเขาเขาไม่เมตตาเราเราก็เมตตาเขาต่อไปปนะิดทองรลังพระ ถ้าเราไม่ทําอย่างนี้โลกมจะอยู่อย่างไรรนะังเกียจเดียดฉันกันพอข้าไม่ดีเราก็ขับไลไ่ใส่ส่งจริงีมันน่าสงสารนะในโลกใบนี้คนมัน่าสงสารนะมันมีเรื่องราของการปกพร่องทางจิตวิญาญาณมากมายแล้วกันนะเราก็ช่วยกันอุดรูรันะ่วเห็นจุดอ่อนล้วก็ช่วยกันเติมเต็มตรงนีนะ้อันนี้มันจะเป็นความปรารถนาดีต่อกันนะ ไปเรื่องของเรียกว่านะพุทธคุณธรรมคุณฐานะคุณมันมีอยู่ตรงไหนตรงนั้นก็จะเกิดความผาสุขขึ้นมานะไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีการขัดแย้งนะอันนี้เราก็ต้องฝึกหัดปฏิบัติที่กายที่ใจของเราเบื้องต้นก่อนนะเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดตรงเนีนะ้เห็นจริงๆรนะิการเกินืนการไหวแต่ละขณะนะ มันเป็นการเกินไหวที่เป็นการแก้ทุกข์มันเป็นก้อนทุกข์มันก็แก้ทุกข์มันอยู่ตลอดเวลาะแต่ถ้าหากจิตใจของเรามันไม่รู้สึกตัวมันเข้าไปในเวทนามันไม่ได้เห็นเวทนาสักราว่าเวทนาไม่ใช่ส ต, ตัวตนบุคคลเราเขาเวทนาเหล่านั้นแทนที่จะเป็นธรรมชาติกลายเป็นกรรมขึ้นมาเลยกลายเป็นพฤติกรรมขึ้นมาเลยเจ้าทั้งคนอื่นก็ดูออกพฤติกรรมเงี้หมายความว่าเงมนทอรหัสได้อยู่นะรหัดที่ตัวเราเป็นรหัดของคนทั้งโลกนะั่นแหละ รหที่ตัวเรากลายเป็นธรรมชาติของโลกใบนี้ทั้งหมดนีจึงเป็นเรื่องที่น่ า, นาสนใจทีเดียวธรรมะธรรมชาตินแล้วก็มีในตัวแล้วก็มีนอกตัวอย่างเช่นที่อ่ารัสเซียอไงนะทุกคนก็ตื่นตัวกันนแต่ว่าใช้วัตถุภายนอกทําให้เกิดความตืน่นขึ้นมานก็คืออุกาบาดมันเกิดมันเป็นอุกาบาดอุกาบาดนี้จะมีอยู่สองชนิดก็คือชนิดที่เป็นหินะ หินก็เหมือนกับหินทั่วไปแต่ว่าอาจจะเป็นโครงสร้างที่แตกต่างจากโลกใบนี้หรือว่าที่เป็นเหล็กเป็นเหล็กแล้วก็ จ, จะมีนิกเกิลมีอย่างอื่นผสมอย่างนี้นะอันนี้ก็เล็กๆก็จะมีน้ําหนักเป็น10บกิโลทีเดียวอันนี้อย่างที่รัสเซียเนี่ยมันระเบิดมีความรุนแรงสูงสเก็ตมันก็ขายได้ประมาณ8 9ดแสนบาทนะก็เปือแ บ, บรนด์ของ หน่วยเงินของประเทศรัสเซียคนก็ตื่นกันเนี่ยไปงมหาไอซากพวกนี้กันสเก็ตรประมาณหนึ่งเซนมก็ได้ราคาสบายไปหลายวันดเดียวได้เงินมาใช้กันก็ตื่นตัวกันเลือสังเกตนะที่ไหนมีพลอยที่ไหนมีเพชรที่ไหนมีทองตามคำล่ำาลืนะโอ้โหควรตื่นตัวเป็นล้อนอย่างนี้นะก็ตื่นกไปหาซับภายนอกกัน แต่ของเรามันเติร์นเติรนความรู้สึกตัวนะมันเป็นเพชรแห่งธรรมทีเดียวมันเป็นเรื่องของมูนค่าของธรรมที่มีคุณทั้งหมดนะมันอยู่ในตัวนี้ทีเดียวความันรู้สึกตัวคือนี้ทําไงเราถึงจะได้สัมผัสอย่างงเี้จริงๆมันง่ายมากเลยแค่การเคลื่อนการไหวแล้วก็สัมผัสรู้สึกตัวง่ายนิดเดียวมันเป็นเรื่องของของมีค่าที่สุดเลยที่อยู่กับตัวเราม่เราไม่ไหานอกตัวเลย มีกายเกินไหวรู้สึกโอ้ชีวิตของเราก็มีคุณมีค่าขึ้นมาทันทีเลยยิงเราเห็นจิตมันคิดนึกปรุงแต่งโอ้โหมันไม่เคยเห็นเลยนะความคิดเป็นอย่างเงี้ยรางของความทุกข์มันผลิตความทุกข์อยู่ตรงนี้นี่เองเราจะได้ทลายโรงงานเมื่อรู้ว่ามีโรงงานยาบ้ามันจะปล่อยไว้ทําอะไรก็ทลายมันซะสิรู้ว่าตรงเนี้มันเป็นแหล่งเพาะเชื้อตรงเนี้ยน้ามันขังอยู่ลงยุงลายมันอยู่ตรงนี้ เราก็ทลายมันเี้ยใจมันอยู่ทําไมหมามันมาอยู่ใตถุนหอไตกัมพาหมัดมาด้วยเเราจะอยู่ทําไมอยู่นิ่งดูได้ไปก่อนล้างขัดเมื่อวันก็ทราบว่ามีการล้างการขัดกันอันนี้อนุโมทนาจริงๆถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วนะเวลาเห็นใครเดินจงกรมนะโอ้ยอมุตนานจริงๆนะเวลาเดินจงกรมอยู่ทีลานหินโกงแล้วก็กำลังปฏิบัติอยู่ตามคุณ บางทีเดินไปไปเจอเดินอยู่ตามคุณโอ้อนุโมทนาจิตตรงนี้แหละนะมันเป็นอริยสัพัยในที่ลาอุตสาหนะออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องเดือนเรือนแล้วนะมาใส่วัดป่าสุกตอาศัยนะข้าอาศัยน้ำอาศัยปัจจัยสี่นะสปายยะของวัดป่าสุกตอากาศสบายคำพูดสบายกัลยาณมิตรที่อยู่กันแบบปัญป ญ, ญาชนนะไม่ใช่กักขาไม่ใช่นะลักษณะของต้าร้าวรุนแรงมาอยู่ร่วมกัน ตัวนี้เราก็เลยสร้างสรรค์ชีวิตของเราของใครของเรากันมันก็จึงเป็นชุมชนเป็นลักษณะของครอบครัวสาธิตเป็นครอบครัวใหญ่ทีเดียวเป็นพื้นที่500ฟ้ไล่ของโลกไปเนียอีกแห่งหนึ่งที่เราสามารถมาอยู่แล้วก็ปฏิบัติธรรมชวาวราทั้งมอนก็ว่ามันเกิดสันที่สุขสันทิภาพภายในจิตใจของเราขึ้นมาตัวนี้เราจะได้ไป กระทบกระเทือนกระแทกให้โลกใบนี้มันเป็นโลกที่เกิดสันนิษ ส, สันนิภาพต่อไปเป็นประโยชน์ท่านแล้วก็จึงสร้างประโยชน์ตนเพื่อเกิดประโยชน์ท่านแล้วก็เวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราสังเกตเอะเวลาเราจะผ่านทุกเนี่ยเราต้องเห็นทุกพ้นทุกยก็จะสอนเราด้วยอาการที่รุนแรงมากาเจ็บเนื้อปวดตัววิตกกังวลเครียดแล้วก็มีความทุกข ความคับแค้นใจปรากฏขึ้นมาตรงนี้นะอันนี้คือครูนะที่กำลังสอนบอกทิศบอกทางเรานะให้เรากลับมาหาความเป็นปกติเราจะต้องมีลักษณะของการสังเกตที่ดีตรงนี้นะเพราะนั้นเราก็ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะที่เป็นสิ่งแวดล้อมนะเป็นส่วนประกอบทำให้เราได้นะศึกษานะทั้งภายนอกทั้งภายในนะจะเห็นภายในและเห็นภายนอกเนะนื่องจากเรานะ ปฏิบัติธรรมแล้วก็ทาถูกเพราะว่ามีองค์สมเด็จสัมมาฯเจ้ามีหลวงพ่อคำเขียนมีหลวงปู่เทียนมีครูบาอาจารย์ต่างๆแล้วก็มีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตรงนี้แหละก็สมแล้วที่เราเกิดมาในโลกใบนี้มีสุขมีทุกข์มันนั้นสุขทุกข์มันก็จะสอนให้เราอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์อยู่เห น, อเ น, ออเนือโลกของโลกยาจนเกิดโลกุตละธรรมก็ขอให้ความประพฤติดี ความปฏิบัติดีของพวกเราทั้งหลายก็ยจะเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งของทุกอยู่เหนือโลกของโลกิยะเข้าสู่โลกโล ก, กุตตะละโดยตัวหนากันทุกท่านทุกคนทันเอิอ